มารู้จักอาจารย์ท่านหนึ่งกเกษียณไปได้หลายปีแล้วอันท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณ0ามปีที่แล้วนะไปเรียนทำปริญญาเอกที่ประเทศอเมริกาช่วงนั้นเนี่ยก็มีพระธิเบต ร, รวมหนึ่งได้รับนิมนต์จากทางมอทไลให้มาแสดงธรรม น, น, นคนอเมริกันยังไม่ค่อยรู้จักพระธิเบตรหรือพุทธศาสนาแบบวัชรยานเท่าไหร่นะไม่เหมือนตอนนี้นะตอนนี้นี่หนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาแบบทิเบตนี่มีเผยแพร่มากมายทั้งในร้านหนังสือทั่วไปแล้วก็ร้านหนังสือของเหมอไทยเลยใคๆก็รู้จักไทยลายลามะนะ เชิญเกียมทุงปะนะแต่ว่สปีที่แล้วไม่ค่อยมีคนรู้จักที่พอนิมนต์พระธิเบตมาชาวมาเท่า่ก็มาติดต่อให้อาจารย์ท่านนี้ซึ่งตอนนั้นเป็นศึกษาปริญญาเอกเนี่ยไปช่วยเป็นอุปถากหน่อยเพราะเห็นว่าเป็นคนเอเชียด้วยกันคงจะเข้าใจกันดีที่จริงอาจารย์ท่านนั้นนี่เป็นเป็นคริสต์นะ แต่ท่านก็ใจกว้างก็ไปช่วยเป็นอุปถาคนะดูแลต้อนรับพระทิเบตท่านนี้ประมาณสักส4วันจากการที่ได้ใกล้ชิด ก, กับพระทิเบตท่านนี้ก็เริ่มใสนะในปฏิปทาเนื่องาะความสงบของท่านสงบแบบผ่อนคลายนะไม่เคร่งเครียด มีอารมณ์ขันนะเป็นกันเองแต่ว่าก็มีความสงบอันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นของพระทิเบตนะคือไม่ขรึมนะแต่สัมผัสได้ถึงความสงบวันสุดท้ายเนี่ยพระทิเบตท่านก็จะกลับนะอาจารย์ท่านนี้ก็เลยสนทนากันก็ได้ทราบว่าวัดของพระทิเบ ท่านนี้เนี่ยอยู่ที่อินเดียนะก็คงจะแถวธรรมศาลานักศึกษาปริญญาเอกคนนี้ก็เลยบอกว่าเมื่อเรียนจบแล้วนะได้ปริญญาเอกแล้วเนี่ยอยากจะไปเยี่ยมเยือนที่วัดท่านแล้วก็อาจจะอยู่ที่วัดท่านเลยอย่างน้อยก็สักระยะหนึ่งพระทิเบก็ถามว่าทําไมหรือนะนักศึกษาก็บอกว่า อยากจะไปหาความสงบที่นั่นเพราะว่าอันที่เมืองไทยจว่ากรุงเทพเนี่ยมันไม่มีความสงบท่านก็เลยพูดนะมาประโยคหนึ่งว่าถ้าท่านหาความสงบที่กรุงเทพไม่ได้นะไปวัดอาตมาก็ไม่พบเหมือนกันนะจริงท่านก็ต้อนรับนะแต่ว่าพูดเป็นข้อคิดที่ทำให้นักศึกษาเนี่ย สะดุดแล้วก็ทำให้ได้คิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักศึกษ า, าคนนี้ได้เรียนจบปริญญาเอกนะกลับไปสอนหนังสือที่กรุงเทพนะก็เลยเปลี่ยนใจนะนะไม่ได้คิดไปเยี่ยมเยินวัดของพระทิเบตท่านนั้นอีกเลยเพราะท่านเข้าใจแล้วนะว่านะความสงบเนี่ยนะ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่นะแต่มันอยู่ที่ใจมากกว่าเวลาพูดถึงความสงบเนี่ยนะมันมีความสงบอยู่สองแบบนะอันที่หนึ่งก็คือความสงบที่หมายถึงการไม่มีเสียงรบกวนไม่ได้หมายถึงเสียงดังเท่านั้นนะไม่มีเสียงรบกวนสหรับบางคนเนี่ยนะ เสียงดังไม่เป็นไรถ้าเป็นเสียงที่ชอบนะเสียงดนตรีเสียงบรรเลงกระหึ่มนะคนที่ชอบเสียงดนตรีหรือแม้แต่เสียงแบบวงดนตรีที่เล่นแบบ Heavy, เพบี้เนี่ยก็จะไม่รู้สึกเลยนะว่ามันดังเวลาได้ฟังเสียงแบบนี้ไม่รู้สึกเลยว่า ไม่มีความสงบนะแต่ถึงแม้เป็นเสียงเบาๆหากว่าเป็นเสียงต่อว่านะเสียงดินทาตรงนี้แหละเขาจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันไม่สงบแล้วนะความไม่สงบความสงบแบบนี้เนี่ยความสงบคือการที่ไม่มีเสียงรบกวนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นความสงบทางกายภาพก็ได้ความสุบอีกอย่างหนึ่งเนี่ก็หมายถึงภาวะที่ ไม่มีอารมณ์มารบกวนจิตใจนะอารมณ์อาจจะเป็นความเศร้าโศกความโกรธความหงุดหงิดล้วก็จะรวมไปถึงความคิดฟุ้งซ่านด้วยก็ได้ความสงบแบบนี้เรียกว่าความสงบทางใจนะความสงบสองอย่างเนี่ยบางทีมันก็อิง ก, กันนะ เช่นบางคนเนี่ยพอมีเสียงดังนะก็จะรู้สึกว่าเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาในใจนะอันนี้หลายคนรู้สึกได้สัมผัสได้มีประสบการณ์เมื่อไม่มีความสงบทางกายภาพนะนะความสงบทางใจก็หายไปด้วยแต่บางครั้งเนี่ย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 เพราะว่าคิดฟุ้งซ่านห่วงบ้านกลัวกลัวนัน่นกลัวนี่วิตกกังวลนะรอบตัวนี่สงบสงัดแต่ว่าใจไม่สงบเนะี่อันนี้เห็นได้ชัดว่าความความไม่สงบใจเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเสียงเลยหรือเราอาจจะรอเพื่อนเพื่อนไม่มาตามนัดนะนัดกันที่ห้างซรพพสินค้าหรือว่านัดกันนะที่ไหนสัก สักแห่งที่มันเงียบมันเงียบแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยนะไม่สงบนะเพราะหงุดหงิดรอเพื่อนไม่มาสักทีนะอันนี้เป็นความไม่สงบใจที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งแวดล้อมเลยหรือว่าบางทีเรานั่งอยู่นะนั่งทาสมาธินั่งฟังคำบรรยายไม่มีเสียงรบกวนแต่ว่าจิตใจนี่นะว้าวุ่น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 จะเรียนต่อไม่เรียนต่อนะจะหยาไม่หยาเนี่ยมันเสียงมันทะเลาะ ก, กันหรือว่าจะลาออกไม่ลาออกนะมันมีเสียงทะเลาะ ก, กันอยู่ในหัวในใจเนี่ยใครที่เจอแบบนี้ก็จะรู้สึกเลยนะมันไม่สงบใจนะถึงแม้ว่าไม่มีเสียงรบกวนเลยแน่นอนว่าถ้าพูรถึงความสงบแล้วเนี่ยหลายคนคงไม่ได้ต้องการแค่ความสงบทางกายภาพนะแต่ต้องการความสงบใจ นะอันนี้ความสงบใจมันก็มีอยู่2ประเภทนะเมื่อวานนี้ก็ได้พูดไว้บังแล้วนะความสงบอย่างแรกคือสงบเพราะไม่รู้หรือสงบเพราะตัดการรับรู้นะเช่นไม่ได้ยินเสียงดังหรือว่าไม่ต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะพอเราไม่ได้เอาโทรศัพท์มา แล้วก็ไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ได้ฟังวิทยุโทรทัศน์ใจก็พลอยจะสงบได้ง่ายนะหลายคนก็ต้องการความสงบด้วยวิธีนี้ก็ไปเก็บตัวอยู่ในป่าหรือว่าไปอยู่ในห้องแอร์นั่งทําสมาธิหลับตาการหลับตานี่ก็เป็นการตัดการรับรู้นะไม่ต้องรับรู้อะไร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 ที่เคยรบกวนก็ค่อยนะซาลงนะหลายคนนะคุ้นเคยกับความสงบประเภทนี้นะเพราะในเวลามาทำสมาธิก็อยากจะนั่งหลับตาหรือว่าอยากจะปฏิบัติอยู่ในห้องแอร์ติดแอร์ถ้าไม่พอก็ยังยังบอกให้ใครต่อใครนะอย่าส่งเสียงรบกวนรวมถึงว่าไม่ต้องออกไปเจอผู้คนนะ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 แล้วคงเหลือแต่การรับรู้ทางใจหรือธรรมารมแต่ความสงบแบบนี้นี่มันมันเปราะบางนะเพราะว่ามันไม่มีที่ไหนนะที่จะป ร, ปราศจากเสียงรบกวนนะไปตลอดนะแม้แต่อยู่เก็บมาเก็บตัวอยู่ในวัดนะบางทีก็จะมีเสียงนะดังเข้ามาเสียงรถยนต์เสียงก่อสร้าง นะหรือว่าเสียงจากหมู่บ้านนะบางทีเขามีงานศพนะมีมหรศสศพนะก็ส่งเสียงดังเข้ามาถึงในวัดนะหลายคนพบความสงบเวลาอยู่ในห้องแอร์นะแต่ว่าก็ต้องออกมานะออกมาเพื่อทำงานเพื่อเจอผู้คนนะ พอเจอเสียงรบ ก, กวนเข้าหรือว่าพอได้รับรู้อะไรต่างๆเข้าเปิดโทรศัพท์มือถือโอ้ข้อความไหลามาเทมาเป็นร้อยนะ c e b o o k อ่านไปก็เกิดความหงุดหงิดไปเห็นหน้าคนที่ไม่ชอบเห็นหนักการเมืองที่รังเกียจนะจิตใจก็รุ่มร้อนนะวาวุ่นขึ้นมาความสงบมันก็หายไปทันทีหรือว่าบางทีเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจ นะอย่างที่เล่าเนี่ยนักปฏิบัติธรรมไปเข้าคอร์สนะสงบมากนะตั้งแต่เช้าจดเย็นพอคอร์สยุตินะจบลงมาจากศาล า, าปฏิบัติธรรมจะขับรถกลับบ้านพอให้รถของตัวเนี่ยนะออกไม่ได้เพราะว่ามันมีรถอีกคันหนึ่งจอดซ้อน ก็โกรธนะคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็โวยวายนะเรียกว่าหมดสภาพสติแตกไปเลยนะอันนี้เพราะว่าไปเอ่อไปเจอกับสิ่งที่ไปเจอกับภาพไปเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจนะความสงบใจที่อุตส่าห์นะสะสมมานะมันก็ระเบิดหายไป ให้เราจะพึ่งความสงบแบบนี้ก็ไม่ได้นะความสงบที่เกิดจากการไม่รับรู้หรือตัดการรับรู้เนี่ยแต่ถึงขนาดเนี้ยเราก็ยังสามารถจะเข้าถึงความสงบอีกประเภทหนึ่งได้นะความสงบใจประเภทที่2คือสงบเพราะรู้นะรู้รู้ในที่นี้หมายความว่าได้เห็นได้ยินนะแต่ว่าใจก็ไม่เป็นไม่เป็นทุกข์ รับรู้นะรูปทางตาเสียงทางหูแต่ว่าก็ไม่มีอารมณ์มารบกวนจิตใจนะอันนี้ทำได้นะนจริงอยู่นะพอตากระทบรูปเนี่ยนะปกติคนธรรมดาก็ใจก็กระเพื่อมแล้วหูได้ยินเสียงนะถ้าเป็นเสียงที่ชอบก็ฟูถ้าเป็นเสียงที่ไม่ชอบก็แฟบไอ้ฟูเนี่ยนะไม่เป็นไรแต่พอแฟบหรือว่า เกิดอารมณ์กุศลขึ้นมาเนี่ยตอนนี้แล้เรียกว่าไม่สงบแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติรู้ทันนะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนะมันก็ทําให้อารมณ์นั้นเนี่ยมันดับบูบลงไปได้หรือว่าถ้าหากว่าเรามีสตินะที่หูนะเวลาหูได้ยินเสียงเนี่ยเสียงมันก็มาหยุดที่ตัวรู้นะ มันก็ไม่ทะลุต่อมาที่ใจของเราไดนะ้อย่างที่บอกไว้แล้วว่าเสียงจริงมันไม่เป็นปัญหานะปัญหาคือใจที่ไม่ชอบเสียงนั้นนะใจที่ไปทะเลาะบบาแหวงกับเสียงนั้นนะหรือว่าที่เล่าเรื่องหลวงปู่บุตตานะที่ท่านเตือนลูกศิษย์ว่าเนี่ยอย่าหัวไปรองเกี้ยนะนะ อันนี้มันมันเชี่เห็นว่าความทุกข์นะความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไม่มีสติไม่มีสติไปรู้นะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีสติรู้ทันใจนะที่ไปเรียกว่าแสหาเรื่องก็ได้นะใจที่มันชอบทะเลาะบบาแวงกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เข้ามากระทบนะ พูดง่ายคือว่าถ้าว่ามีสติรู้ทันอารมณ์นะที่เกิดขึ้นในใจนะอารมณ์นั้นมันก็ไปต่อไม่ได้มันก็ดับไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใจ ก, ก็เพิ่มสักพักแล้วก็ใจก็หยุดนะเพราะรู้ทันอารมณ์นะรู้ทันความคิดปรุงแต่งนะบ่อยครั้งความไม่สงบใจก็เกิดจากความคิดนะที่มันว้าวุ่นคิดไปอดีตบ้างอนาคตบ้างและการคิดเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยเพราะความเผลอ แต่ถ้ามีสติรู้นะมันก็มันก็ไม่คิดต่อนะจิตก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันนะอันนี้เรีว่าสงบนะเพราะว่ามันไม่มีอารมณ์มารบกวนแล้วนี่เรียกว่าเป็นความสงบนะเพราะรู้นะหรือสงบทงั้งๆ ท, ที่รูนะ้ก็คือเสียงก็ได้ยินนะรูปก็จะเห็น ได้อ่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะข่าวเครื่องบินตกนะหรือว่าหุ้นตกนะหรือว่านักการเมืองทะเลาะ ก, กันนะให้สัมภาษณ์นะยังไม่มีเหตุ ม, มีผลเราฟังก็ใจกะเพิ่มสักพักนะก็รู้ทันนะมันก็วางได้ไอความสงบชนิดนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เรา น่าจะสนใจน่าจะให้ความสนใจนะเพราะว่ามันเป็นความสงบที่ไม่อิงสถานที่นะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่นะจะอยู่วัดหรือว่าจะอยู่ในเมืองอยู่บนท้องถนอนอยู่ในที่ทำงานนะอยู่ที่บ้านก็สามารถจะสงบได้นะบางครั้งเนี่ยเจอคนนะพูดถ้าเป็นสมัยก่อนก็เรียกพูดไม่ไม่ถูกหูนะพูดผิดหู ถ้าไม่มีสติก็โกรธไม่พอใจหรือใครทำอะไรทีนะ่มันไม่ถูกต้องก็โกรธขุนเคืองนะบางทีก็โกรธเป็นวันนะโกรธเป็นอาทิตย์โกรธเป็นเดือนอันนี้พ่อไม่รู้ตัวนะคนเราเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่มีความทุกข์ใจนะให้รู้เลยว่านะี่เป็นเพราะความไม่รู้ตัวนะจิตมันไปแบก ถ้ารู้ว่าใจมันแบกนะมันก็จะวางได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาแบกนี่ไม่รู้ว่าแบกนะทั้งที่ทุกข์ก็ยังไปโทษนะสิ่งที่แบกเช่นก้อนหินเนี่ยนะมันหนักนะพอแบกก็บ่นขึ้นมาเลยโอยหนักหนักหนักนะแล้วก็ไปโทษก้อนหิน แต่ไม่ถามตัวเองว่าเราแบกทำไมนะไอตอนแบกนี่ไม่รู้ตัวนะรู้แต่ว่ามันทุกข์มันเหนื่อยนะแต่พอรู้ตัวมีพอมีสตินะมันวางเลยมันวางทันทีนะและในการที่มีสติรู้ทันเนี่ยนะมันช่วยทำให้ใจเนี่ยสงบใจนี่เบานะไม่เผลอแบก เคยมีในตำรวจท่านหนึ่งนะประมาณสัก 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยไปหาหลงหลวงพ่อชาที่วัดหนองประพง์แล้วก็บนระบายมีความทุกข์มากในที่ทำงานเพราะว่าตัวเองเนี่เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนะแต่ว่าเจ้านายแล้วลูกน้องนี่นะไม่ค่อยซื่อสัตย์เท่าไหร่เจ้านายก็กันแกล้งนะ การทำงานก็ไม่เจริญก้าวหน้าตําแหน่งก็แพกนะส่วนเพื่อลม ง, งานก็คอยเลื่อยขาเก้าอี้อเผลอไม่ได้ลูกน้องก็ใส่เกียร์ว่างนะก็มาบ่นมาระบายหลวงพ่อชาฟังนะก็นานประมาณครึ่งชั่วโมงได้หลวงพ่อชาท่านก็ฟังนะท่านก็ไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้แนะนําอะไรจนกระทั่งนะในตําำรวจท่านนั้นระบายเสร็จหลวงพ่อชาก็ชี้ ไปที่ก้อนหินที่หน้ากุติถามว่าเห็นก้อนนั้นเห็นก้อนหิ น, ก, นก้อนนั้นไหมเห็นครับหนักไหมหนักครับแบกไหวไหมแบกไม่ไหวแล้วครับเออถ้าไม่ไหวก็อย่าแบกมันนะพอพูดแค่นี้เนี่ยนายโจท่านั่นก็ได้สติเลยนะก็คือได้คิดเลยนะว่าไอททไาาไไ้ที่ทุกเนี่ยไม่ใช่เพราะปัญหาไม่ไม่ที่ทุกเนี่ยไม่ใช่ สาเหตุที่ทําให้ทุกข์เนี่ยไม่ใช่เพราะปัญหามีมากเจ้านายกั่นแกล้งนะแต่เป็นเพราะไปแบกปัญหาต่างหากปัญหาเนี่ยทำให้ทุกข์แต่เพราะแบกปัญหาต่างหากที่ทําให้ทุกข์ใจนะก็เหมือนก้อนหินนะนก้อนหินเนี่ยถ้าไม่แบกมันก็ไม่ทุกข์นะไม่เหนื่อยแต่พอแบกเสียมันถึงทุกข์แล้วนึกว่อทุกข์แล้วทำไมถึงแบกก็เพราะไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีสติรู้ทันปุ๊บนี่มันวางเลยนะ เพราะฉะนั้นการมีสติรู้ทันนะความคิดและอารมณ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญมากที่ทําให้เราได้พบความสงบใจนะอันนี้เราสงบเพราะรู้คราวนี้การรู้เนี่ยนะมันรู้ได้ด้วย2 อ, อย่างนะคือ1รู้ด้วยสตินะสรู้ด้วยปัญญาปัญญาทในที่หมายถึงการเข้าใจความจริงนะการเข้าใจความจริงก็มีหลายระดับนะ เช่นเข้าใจความจริงของโลกธรรมโลกธรรม8นะรู้ว่ามีลาบนะกับเสื่อมลาบมันคู่กันนะได้ยศกับเสื่อมยศนี่มันคู่กันสารเถินกับดินทานี่มันคู่กันนะนะเมื่อมีแล้วนะก็ต้องหมดนะเมื่อเจอก็ต้องจากเมื่อพบก็พรากนะมันไปคู่กันเสมอเหมืนกับขวากับซ้ายหรือว่า หน้ามือกับหลังมือเมื่อรู้ความจริงเช่นนี้เนี่ยนะเวลาเจอคนเขาชมก็ไม่ได้เลิ้งนะเวลาเขาตาหนิ ก, ก็ก็จะไม่ทุกข์นะอันนี้เพราะว่าเป็นธรรมดาเวลาถูกนินทาเนี่ยนะแทนที่จะโวยวายนะก็เฉยเพราะรู้ว่าไม่มีใครที่ไม่มีไม่ถูกนินทาในโลกนี้นะทก็ถูกนินทา ไม่ทำก็ถูกนินทาทำถูกก็ถูกนินทาทำผิด ก, ก็ถูกนินทาไม่มีใครที่ไม่ถูกนินทาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรู้ความจริงเช่นนี้เนี่ยก็ไม่ทุกข์นะไม่หวั่นไหวหรือว่าเวลาเจ็บเวลาป่วยนะก็รู้ว่าเออมเป็นธรรมดานะความเจ็บป่วยนี่เป็นธรรมดาโลกนะการเข้าใจหรือเห็นความจริงแบบนี้มันทาให้ไม่เกิดความเสียใจไม่เกิดความโกรธนะ เพราะฉะนั้นจิตก็เป็นปกติได้เห็นความจริงอาจจะเห็นความจริงไปถึงขั้นเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์อ น, นิจจังทุกขังอนัตตานะเข้าใจว่าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมาล้นแต่ไม่เที่ยงมันทนได้ยากนะมันจะไม่ได้ทุกข์นะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้ก็เป็นความจริงที่ลึกซึ้งมากแต่ถ้าเข้าใจความจริงแบบนี้เนี่ยนะมันก็ทําให้ไม่ยึดติดถือมันตั้งแต่แรกเพราะรู้ว่าอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงรู้ว่า ถึงนักปวรเป็นทุกข์แล้วจะแบ่งมันไปทาไมนะการรู้ความจริงแบบนี้เนี่ยทำให้ไม่ยึดติดถือมั่นนะไม่ยึดว่านี่เป็นของเรานะไม่ยึดว่าตัวกูของกูเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาของหายนะหรือว่างานไม่สำเร็จนะไม่เป็นไปตามแผนก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเพราะรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะบังคับบัญชาอะไรได้นะ เวลาเจ็บป่วยก็เหมือนกันเวลาแก่ก็เหมือนกันนะเพราะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นแก่นะก็ไม่ทุกข์เพราะไม่ได้จะติดมาตั้งแต่แรกนะความรู้นะด้วยปัญญานี่มันทำให้ปล่อยวางได้นะอาจจะเผลอยึดแต่พ อ, อได้สตินะเกิดปัญญาขึ้นมามันก็วางนะหรือว่าบางคนเนี่ย แจ่แจ้งในความจริงก็ไม่ยึดตั้งแต่แรกไอ้การเห็นความจริงแบบนี้มันทำให้ไม่มีกิเลสนะมันทำให้ตัณหาละาวิชชาเนี่ยดับไปถ้ารู้อย่างถึงที่สุดนะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่านะมันไม่มีอะไรที่จะมามาขยา่าจิตใจให้เกิดอารมณ์นะที่จะมารบกวนจิตใจได้ <c oughs> การเห็นการที่รู้ด้วยปัญญานี่นะมันทำให้กิเลสอวิชชาไม่มีที่ตั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่า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 แต่สาหรับปุถุชนอย่างพวกเราเนี่ยนะการที่เห็นความจริงแบบทะลุร ป, ปรุก ป, ปรอมแบบนี้ก็เป็นเรื่องยากนะแต่ว่าการที่เราได้เห็นความจริงแบบประพิมประพายอยู่บ้างนะเช่นได้เห็นความจริงเรื่องโลกธรรม8นะมันช่วยเตือนใจเราหรือว่าเตือนใจเราอยู่เสมอว่าเนะเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มความเจ็บไข้ไปไม่ได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาจุลเป็นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพากจากของเลิกของชอบใจทั้งนั้นการเตือนนะเตือนใจตัวอย่างเงี้ยมันทำใหนะ้เวลาเจอเหตุการณ์ที่มากระทบกายนะทําให้เจ็บป่วยหรือว่ามากระทบทรัพย์สมบัติทำให้สูญหายพัดพากไปนะใจก็ไม่ทุกข์นะมันก็ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจหรือว่าความโกรธแค้นที่จะมารบกวนจิตใจให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 กายเจ็บนะก็จะไม่ใจก็จะไม่เป็นทุกขนะ์นะเพราะส่วนใหญ่เนี่ย ท, ที่ทุกข์ก็เพราะว่าไปยึดว่าไปยึดเอาความปวดของกายว่าเป็นความปวดของกูนะมันไม่ใช่แค่กายปวดนะแต่กูปวดมันไม่ใช่แค่กายเจ็บนะกูเจ็บด้วยมันมีตัวกูเป็นเจ้าของนะทุกขเวทนานั้นหรือว่าเป็นผู้เสพสวยเวทนานั้นอันนี้พูดแบบภาษาธรรมะนะเป็นผู้สวยเวทนานีน ก็คือไปยึดว่านะกูเป็นมีกูพูดเจ็บมีกูผู้ปวดขึ้นแต่ถ้าเห็นความจริงว่ามันไม่มีกูตั้งแต่แรกเนี่ยนะเวลากายปวดนะมันก็ปวดแต่กายนะใจก็ไม่ได้ปวดด้วยนะเวลากายเจ็บใจก็ไม่ได้เจ็บด้วยก็มีเรื่องเล่าว่าหลวงปู่บุตรดาเนี่ยเคยได้รับนิ ม, มนต์ให้ไปฉันในที่หนึ่งนะก็มีพระตาไปเป็นคณะเลยป <c oughs> ราก็ว่า อาหารที่โยมถวายเนี่ยมันมีพิษนะอาหารเป็นพิษพระทั้งคณะนี่ก็อาเจียนกันเป็นแถวเลยในขณะที่พระหนุ่มๆ น, มนี่อาเจียนจนหมดแรงนอนหมดสภาพแต่หลวงปู่บุตรนี่ท่านยังสามารถเจียนนั่งคุยกับโยมได้คุยสักพักเดี๋ยวท่านก็อาเจียนออกมาเสร็จแล้วก็นั่งคุยกับโยมต่อคนก็แปลกใจว่าหลวงปู่ทาได้ยังไงนะ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 แต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่เห็นไม่ไม่ไม่สามารถทากันได้นะเพราะว่ามันไปยึดว่ากายนะเป็นเราเป็นของเราหลวงปู่นี่ท่านเห็นความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเรานะทั้งเนืทั้งตัวนี่ก็มีแต่กายกับใจนะไม่มีอะไรที่เป็นเราไม่มีตัวเราที่ไปสอดไปแทรกนะเป็นเจ้าของกายและใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากายปวดมันก็เป็นเรื่องของกายปวดไปนะใจไม่ได้ทุกข์กันเ อันนี้เขาเพราะท่านเข้าใจเรงความจริงเรื่องรูปนามนะงั้นเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยถ้ า, าว่ารู้ด้วยปัญญาเนี่ยนะอะไรเกิดขึ้นนะกับกายอะไรเกิดขึ้นกับงานการอะไรเกิดขึ้นกับทรัพสมบัตินะมันก็ไม่มีอารมณ์มามาขย่าให้ใจนี้เป็นทุกข์หรือว่าใจเนี่ยว้าวุ่นไดนะ้อันนี้เลยว่า เป็นความสงบใจอันประเสริฐนะหรือว่าเป็นความสงบอันประเสริฐก็ได้นั้นถ้าเราปรารถนาความสงบใจนะต้องพยายามนะพยายามที่จะนะเข้าถึงความสงบชนิดนี้ให้ได้เริ่มต้นด้วยสงบเพราะรู้ด้วยสตินะและต่อไปเนี่ยใหการเจริญสติ บ, บ่อยๆนี่ก็ทำให้เราสงบจะททำให้เราเกิดปัญญานะทีนี้ก็จะ สามารถจะสงบได้เพราะรู้ด้วยปัญญานะเพราะรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้ไอ้ความรู้แบบนี้ทำให้กิเลส ต, ตัณหาเนี่ยมันมันไม่มีที่ตั้งนะมันก็ดับไปพอกิเลสดับไปไอ้การที่จะถูกกิเลสรบกวนนะมันก็ไม่มีต่อไปคนเราเนี่ยถึงตรบทียังมีกิเลสอยู่นะยังมีตัณหาอยู่นะอารมณ์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 และต่อไปก็จะเกิดปัญญาจนกระทั่งกิเลสตัณหาก็รบกวนจิตใจไม่ได้อันนี้ทางพระเรียกว่าอุปทิวเวกนะถ้าสงบใจธรรมดาเรียกว่าจิตวิเวกนะส่วนถ้าสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีเสียงรบกว น, เ, นเรียกว่ากายวิเวกนะคนเราเนี่ยอย่าอย่าอย่าแสวงหาแต่แค่กายวิเวกนะหรือความสงบทางกายภาพนะ